คนถึงธทรทร ม, รรมถึงคนผลจะเกิดสิ่งประเสริฐคือปัญญาคุณค่ายิ่งมันใครครวนทุกเวลาอย่าประวิงใจหยุดนิ่งสงบซึ้งจะถึงธรรมศาสตราจารย์ถปณีนาครทัก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 เป็นผู้ที่ปฏิบัติก็ได้ตัวสติตเนี่ยแล้วปฏิบัติที่ไหนอะ่ะก็เริ่มปฏิบัติที่กายของเราเนี่ยกายานุปัสนาสติปท า, านเอาสติดังรู้ลงไปที่กายของเราแล้วอะไรออกมาจากกายละ่ะสิ่งที่ออกมาจากกายนั้นก็คือความทุกข์เวทนาต่างๆความปวดความเมื่อยอันนี้เรามีสติรู้ได้แล้วลก็นี่เป็นการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องของจิตใจที่มันคิดยิ้มนึกมันปรุงปรุงแต่ง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 เราเริ่มต้นดูกายเดี๋ยวมันก็จะเห็นจิตเห็นความคิดที่มันปรุงมันแต่งนี่เป็นการฝึกจิตให้มันทําหน้าที่รู้สึกรู้สึกมากกว่าเป็นการคิดโดยสายกายเนี่ยเป็นฐานไว้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยสติที่เราสร้างขึ้นมาเจริญขึ้นบ่อยๆแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้เอง <c oughs> เขาจะเริ่มมีสติเริ่มเกิดขึ้นเองไม่ม่ต้องเจตนารู้ไว้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยมันรู้เองได้อันนี้เป็นการพัฒนาเราจะเห็นว่าตอนแรกเนี่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 แก่ใจของเราเองนะคะดังบทประพันธ์ของท่านศาสตราจารย์ธปนีนาคนทัพที่กล่าวนำไว้ในต้นว่าคนถึงธรรมธรรมถึงคนผลจะเกิดสิ่งประเสรศิฐคือปัญญาคุณค่ายิ่งมันใครครวนทุกเวลาอย่าประวิงใจหยุดนิ่งสงบซึ้งจะถึงธรรม